บทนี้จากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปวันก่อนนั้นได้กล่าวถึงโลกในความหมายที่สมบูรณ์และหมายถึงสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นเรียกว่าโลกในความหมายของพระพุทธศาสนา และตัวโลกนั่นเองก็ทรงสอนไว้ในแง่มุมต่างๆเพื่อเป็นเครื่องกําหนดรู้ของบุคคลจนสามารถถ่ายสอนความยึดติดในโลกนั้นๆออกไปได้ในบางแห่งจะมีการจําแนกแสดงไปตามตัวเลขโดยลาดับเช่นโลกหนึ่งโลกสองโลกสามไปเรื่อยๆจนถึงโลกสิบสองโลกสิบสี่แต่ว่าแต่ละอย่างนั้น จะเป็นกลุ่มของปริญญาตประธรรมคือธรรมะที่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาเป็นผลผลของธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติของมันดังนั้นจึงอยู่ในกลุ่มของทุกข์สัตว์แต่ว่ากลุ่มของธรรมะเหล่านี้เองที่เป็นเหตุให้เกิดปัญหานานาประการ แล้วก็ให้เกิดการยื้อแย่งการต่อสู้การปราบประหารการยุติิดก็เป็นเรื่องของโลกด้วยกันทั้งนั้นโลกในที่นี้ที่จะกล่าวในที่นี้ก็คือโลกสามท่มานไม่เอาเวทนาทั้งสมประการเวทนานั้นเป็นนามาขันคือขันฝ่ายที่เป็นนาม เป็นอาการของจิตที่ทําหน้าที่สวยอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่จิตได้รับรู้อารมณ์ที่ผ่านมาทางประสาทสัมผัสอหตาเหตุรูปเป็นต้นเมื่อกระทบกันแล้วก็เกิดการกําหนดหมายว่าดีบ้างไม่ดีบ้างหรือกลางๆบ้างจากนั้นก็จะเกิดเป็นรูปของเวทนาหรือการสวยอารมณ์ แต่ใจของบุคคลไปกําหนดว่าดีก็เกิดรู้สึกเป็นสุขเรียกว่าสุขเวทนาแต่ใจไปกําหนดว่าไม่ดีก็เกิดเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาแต่แต่ใจมีความรู้สึกเป็นกลางกลางคือไม่พอใจหรือไม่ไม่ไม่เสียใจก็กลายเป็นอนทุกขมสุขเวทน า, าเวทนานั้นโดยทั่วไปก็ส่งจําแนกแสดงออกไปพิสดารมาก แต่ในขั้นตอนการปฏิบัติที่ง่ายต่อการกําหนดก็จะมีเป็นพวกเวทนาห้าเวทนาสาเวทนาหาเวทนาหกแลเวทนาเก้าเพราะถ้าเกินไปจากนั้นสติสัมมชัญญะเรามีกําลังไม่พอกําหนดระลึกไม่ทันประแท้ที่จริงแล้วเวทนาเนื่องจากเป็นนามขันเป็นาการของจิตประการหนึ่งมีการเกิดขึ้น จำรงอยู่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาที่รวดเร็วมา ก, การกําหนดรู้เวทนาตามความเป็นจริงจึงต้องอาศัยสติสัมปชัญญะที่มีกําลังมากพอจึงระลึกได้ทันการมองในแนวของโลกสามคือมองในแง่ของสุขเวทนาทุกเวทนาและทุกกมสุขเวทนาจึงอยู่ในวิสัยที่สามารถมองได้ระลึกได้ แค่ตามทันเวทนาที่บังเกิดขึ้นในการศึกษาพินิจพิจนารณานั้นจะพบว่าในกรณีที่เป็นสุขเวทนาเมื่อปรากฏเกิดขึ้นที่กายก็ตามที่จิตก็ตามจิตของบุคคลก็จะไปยึดมั่นในตัวเวทนาเหล่านั้นปรารถนาให้สุกเวทนาดำรงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง เราะสุขเวทนาก็สร้างปัญหาในชีวิตให้แก่บุคคลเป็นอันมากเพราะแท้ที่จริงแล้วแก่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยการดำรงอยู่ของแก่ก็ดำรงอยู่ได้ตามเหตุปัจจัยและจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวดไปตามเหตุปัจจัยซึ่งโดยสถานะของแก่แล้วเมื่อกำหนดระลึกด้วยกำลังสติสัมปชัญญะที่มากพอ เราจะพบเห็นว่าที่จริงแก่ก็เกิดดับอย่างต่อเนื่องกันไปพันการที่บุคคลปรารถนาจะให้เวทนาซึ่งตัวต้องการคือความสุขที่ตัวต้องการที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้ดำรงอยู่ตลอดไปโดยไม่ต้องการให้เปลี่ยนแปลงจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้เพราะความไม่เที่ยงของแก่ด้วย เพราะความเป็นทุกข์ของแกด้วยและเพราะความเป็นอนัตตาของแก่ด้วยแกก็ตกอยู่ในสภาพทั้งสามนั้นนั้นยามใดที่บุคคลไม่ได้สุขเวทนาอย่างนั้นใจของบุคคลก็จะสายไปดลนาจความปรารถนาในความสุขเหล่านั้นยามใดที่กําลังสุ ข, สขเวทนาอยู่ก็จะเกิดเพลิดเพลินดีในสุขเวทนาและพอสุข ความสุขนั้นเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปความทุกข์ความเศร้าโศกก็เกิดขึ้นภายในใจตกลงว่าในสายของสุขเวทนาก็จบลงด้วยความด้วยความทุกข์ด้วยความสุขในยามที่เวทนาเปลี่ยนแปลงไปแปรปรวนไปแต่แม้ในชั้นของการสแสวงหาสุขเวทนาจะสังเกตได้ว่า ก็เป็นการดิ้นรนไปด้วยความทุกข์ในด้านต่างๆเมื่อได้เมื่อไม่ได้ก็เกิดความทุกข์เมื่อได้มาก็เกิดความสุขและในขณะที่พยายามรักษาสุขเวทนาอยู่นั้นบุคคลก็ประสบความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการดารงรักษาพราะเวทนาเองจึงอยู่ในสภาพของความทุกข์ ในกรณีที่เป็นทุกขเวทนาโดยตรงซึ่งเกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกําหนดรูปเป็นต้นว่าไม่น่าใคร่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็เกิดความทุกขเวทนาขึ้นแล้วจะมีความรู้สึกที่ถูกกิเลสแผดเผาใจของตนเพราะจะปราบทุกขเวทนานั้นเองเป็นเหตุ ในกรณีที่ทุกเวทนายังไม่เกิดก็ไม่ต้องการไม่ปรารถนาต้องการจะดิกนี้ทุกเวทนาเหล่านั้นแต่ก็จริงแล้วมีอยู่เป็นนั้นมากที่หล็กนีไม่พ้นต้องประสบกับความทุกข์ประสบความทุกข์ก็ดิ้นรนหาทางแก้ไขไปด้วยวิธีการต่างๆบางครั้งก็เป็นการเพิ่มทุกข์ให้เกิดมากยิ่งขึ้นบางครั้งก็สามารถลดลงไปได้ บางครั้งก็อาจจะหายไปเลยก็มีแต่ว่าทั้งเพิ่มขึ้นทั้งลดลงไปและทั้งที่กลายเป็นความสุขแกก็อยู่เกิดขึ้นดำรงอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยเพราะั้นพอทุกขเวทนามันเสื่อมไปเปลี่ยนแปลงไปบุคคลก็ได้รับความชื่นชมโสมนัสแต่ท่ามกลางความชื่นชมโสมนัสที่เวทนาคือความทุกข์ต่อนั้นได้หายไป ในส่วนลึกๆของจิตใจก็จะประกอบด้วยความวิตกกังวลความหวงใจความหวาดระแวงกลัวสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาอีกแม้อาจจะรู้สึกว่าเป็นความสุขในขณะนั้นแต่เป็นความสุขที่มีความทุกข์แฝงเร้นอยู่เป็นอางมากในการสอนนั้นทรงสอนในแง่ของคติธรรมดาเคยบุคคลเข้าใจในแง่คติธรรมดา การครั้งสอนรวมๆลงไปเช่นสอนให้พิจารณาถึงความเจ็บไข้เป็นธรรมดาหรือการพลัดพรากเป็นธรรมดาข้อ น, นี้ที่จริงตัวความเก็บเจ็บเจ็บไข้นั้นเป็นตัวสร้างทุกขเวทนาการพลัดพรากเองก็สร้างทุกขเวทนาให้บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในชั้แรกจึงสอนให้ยอมรับในแง่ของธรรมดา ชีวิตทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกนั้นจะต้องประสบกับเวทนาเหล่านี้แน่นอนแท้จริงแล้วเวทนาก็เกิดขึ้นแก่พระอริเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธ เ, เจ้าเป็นต้นปนัญหาสําคัญจึงไม่อยู่ที่เกิดหรือไม่เกิดเพราะแกเกิดมาจากเหตุปัจจัยแกเป็นผลผลก็ธรรมชาติแกก็ต้องเกิดได้แก่คนทุกคนและแกสิ่งทั้งหลายทุกๆสิ่งก็คล้ายๆกับ สิ่งที่ถูกน้ำมันก็ต้องเปียกด้วยกันแต่ปัญหาว่าน้ำจะซึมเข้าไปได้หรือซึมเข้าไปไม่ได้นั้นมันไม่ได้อยู่ที่ตัวน้ำแต่มันอยู่ที่คุณภาพของสิ่งนั้นว่าะจะปล่อยน้ำซึมเข้าไปได้หรือไม่ฉันจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันต่ตัวเวทนาที่จริงก็ไม่มีความหมายอะไรมันก็เป็นขบอย่างนั้นเองมันเกิดขึ้นได้แก่ใครทุกคนทุกแข่ง แต่มีเหตุปัจจัยลักษณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ความสุขได้แก่คนทุกๆคนแต่ปัญหาสำคัญว่าใจคนเหล่านั้นมีความรู้สึกตัวเวทนานั้นอย่างไรท่านั้นเองข้อนี้ตึงสังเกตตามหลักสูตรใหญ่อโครงสร้างใหญ่ที่พระเจ้าทรงสแสดงพวกโลกธรรม ท, ทั้งแปดคือลาบ ยศสันเสริญสุขก็เสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกคือสังเกตว่าลาบยศสันเสริญสุขนั้นเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาใครก็ตามได้ลาบได้ยศได้สันเสริญได้ความสุขก็เกิดสุขเวทนาแต่พอเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาได้รับความทุกข์ก็เกิดทุกขเวทนาเพราะฉันที่จริงแล้วพวกนี้ก็คือเหตุปัจจัยของเวทนาแต่ปัญหาสําคัญว่า สิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในใจคนได้หรือไม่นั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแต่อยู่ที่ใจคนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโลกธรรม ท, ทั้งแปดประการนั้นจะเกิดแก่ปุถุชนกับพระริยะเสมอกันแต่จุดของความแตกต่างก็คือว่า ปุถุชนผู้ไม่ได้ศึกษาธรรมของพระอริยะไม่ปฏิบัติธรรมของพระอริยะไม่เข้าถึงธรรมของพระอริยะเมื่อโลกธรรมทั้ง8ประการมันเกิดขึ้นหรือพูดง่ายว่าความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นจิตใจก็จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจของเวทนาเหล่านั้นในกรณีจะเป็นความสุขเพเลิดเพลินเริงหลงเฉลิมฉลองกันด้วยวิธีการต่างๆ และบางครั้งในขณะที่ฉลองกันอยู่นั่นเองความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นและบางทีก็ปรากฏกันอย่างที่มีข่าวคราวมีการเฉลิมฉลองกันในสถานที่ใดที่หนึ่งมีระเบิดเกิดขึ้นในที่นั้นต่อจากนั้นก็มีแต่เสียงร้องไห้จากเสียงหัวเราะเพลิดเพลินกลายเป็นเสียงระเบิดจากเสียงระเบิดก็กลายเป็นเสียงร้องไห้เป็นเสียงที่ต่อเนื่องกันนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชีเห็นว่า ความสุขที่บุคคลกำลับบงเพลิดเพลินอยู่นั้นที่จริงไม่ได้ยั่งยืนอะไรอีกขณะหนึ่งอาจจะเป็นความทุกข์อาจจะเป็นความสูญเสียอาจจะเป็นน้ำตาอาจจะเป็นการแตกทำลายทั้งชีวิตก็ได้แต่ปุถุชนพวกไม่ได้ศึกษาธรรมของพระยะจะเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในสุขเหล่านั้นแต่เมื่อเกิดความทุกข์เวทนามันเกิดขึ้น บุคคลก็จะเศร้าโศกซึมเศร้าดิ้นรนไปด้วยประการต่างๆผนใจของบุคคลจึงขึ้นจึงฟูขึ้นแล้วฟุบลงตามอำนาจของความสุขความทุกข์ที่เขาประสบในขณะนั้นๆแต่เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแก่พระริจเจ้าความรู้จะเกิดขึ้นทันกับสิ่งที่เกิดนั้นเมื่อราบยศสันเสริญจะพูดง่ายก็คือสุขและทุกข์ บังเกิดขึ้นแก่ทา่านปัญญาความรู้ก็จะเกิดขึ้นในทันทีว่าสิ่งเหล่านี้ได้บังเกิดขึ้นแล้วแกเราแต่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาแกเกิดขึ้นแล้วแกก็ต้องดับไปและก่อนจะดับแกก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนในตัวแกเองจนถึงก็ดับไปในที่สุด ภายในความยึดมั่นถือมั่นในแนวใดแนวหนึ่งอย่างที่ปุตุชนไปยึดมั่นถือมั่นไม่มีภายในใจของท่านเพราะเวลา ส, สิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงไปดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตกต่ำลงก็คือความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นในชั้นของการศึกษาปฏิบัติท่านจึงเน้นที่ให้ มีการกำหนดรู้เวทนาที่บังเกิดขึ้นตามความจริงเรื่องเกิดนั้นเป็นเรื่องต้องแน่นอนด้เกิดต้องเกิดขึ้นไม่ว่าใครจะอยู่ในส่วนใดของโลกในยุคใดสมัยใดก็ตามต้องประสบกับเวทนาเพราะเวทนาเป็นกระบวนการธรรมชาติกเกิดทุกวันจะพูดว่าเกิดทุกขณะจิตได้ซ้ำไปเพราะเป็นอาการของจิตที่รับรู้อารมณ์ มีการกําหนดอารมณ์สวยอารมณ์ซึ่งเราก็มีกันอยู่ตลอดบางทีขนาดความฝันเราก็มีทุกขเวทนามีสุขเวทนาปรากฏอยู่ดังนั้นทํำยังไงจึงจะให้เข้าใจเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงในชั้นแรกระดับของการเจริญกรรมฐานหรือเจริญกรรมฐานนั้นทรงสอนให้รู้ถึงความจริงตหล่านั้น พยายามตั้งสติระลึกด้วยจิตใจที่มีความสงบเป็นฐานเมื่อสุกเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากําลังสวยสุขเวทนาจบเมื่อทุกเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากําลังสวยทุกเวทนาจบเมื่ออทุกกมลังสุกเวทนาคือเวทนาที่เป็นกลางกลางเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากําลังสวยเวทนาที่เป็นกลางกลางจบ เพ่งดูเฉพาะที่ตัวของเวทนาเฉพาะช่วงนี้มุ่งให้ดูด้วยความสงบคือตั้งสติเราลึกตูไปก่อนแล้วในขณะที่ดูนั่นเองก็จะเป็นเม้นงานวิเคราะห์วิจัยสิ่งทั้งหลายที่เรามองกันด้วยกล้องโดยกล้องจุลทรรศน์บ้างไปแว่นขยายบ้าง และจากการมองนั้นเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวของเวทนาที่แกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและจากนั้นก็จะสอนให้บุคคลพิจารณาในขั้นต่อไปมองเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นมองเวทนาที่กำลังดับไปสืบสาวดูไปว่าเวทนาที่ปรากฏในขณะนี้เมื่อก่อนแกก็ไม่เกิด เกิดขึ้นมาได้จากอะไรอะไรเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเกิดแล้วในขณะที่แกดำรงอยู่ก็มองที่ความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนซึ่งปรากฏในท่ามกลา ง, งความดำรงอยู่แต่ในสุดก็ดับไปแต่บางครั้งเนื่องจากเวทนาเป็นนามนธรรมมันปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ใจเป็นตัวเสวยอารมณ์ไม่ใช่กายเป็นตัวเสวยแม้เวทนาจะเป็นสิ่งที่เกิดที่กายก็ตามเกิดที่กายด้วยเกิดที่ว่าเกิดที่ใจด้วยก็ตามแต่จริงๆแล้วกายก็ไม่รู้เรื่องอะไรใจเท่านั้นเองเป็นตัวเสวยอารมณ์บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้ดูสภาวะเกิดดับของเวทนาว่าเหมือนกระตอมน้ำที่ตั้งขึ้น โดยการไหลของน้ำไปกระทบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือแม้แต่กระทบกับน้ำด้วยกันเองแล้วเกิดเป็นตอมน้าขึ้นมาตอมน้ำเมื่อก่อนจึงไม่มีแต่มันเกิดมีขึ้นด้วยการกระทบแต่เมื่อมีขึ้นโดยการกระทบแล้วแกก็ดับตั้งอยู่และในสุดก็ดับไปเพราะการเกิดขึ้นของเวทนาจึงเกิดขึ้นมาจากการกระทบ กระทบของอะไรกระทบของอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกมีตาเห็นรูปเป็นต้นแต่อะตั้งปัญหาถามว่าหากเรามีเฉพาะตากับรูปจะมีการกระทบได้ไหมบอ ก, กว่าไม่ได้จะต้องมีแสงสว่างเข้ามาช่วยจะต้องมีรูปซึ่งเป็นวิสัยของตาที่จะเห็นได้คือไม่ไกลเกินไปและไม่ใกล้เกินไป แต่ในขณะเดียวกันจะต้องมีมานาัสิการคือความสนใจหรือใส่ใจถึงรูปเรานะั้จากุวิญญาณคือความรู้รู ป, รปทางตาก็จะบังเกิดขึ้นและเพราะการประจวบ ก, กันของอรยธตนาภายในภายนอกวิญญาณนี้เองท่านเรียกว่าการกระทบคือสัมผัสแต่อยู่ที่สัมผัสเฉยๆสุขเวทนาทุกเวทนา เวทนาที่เป็นกลางๆจะเกิดขึ้นได้ไหมจริงๆแล้วก็เกิดขึ้นไม่ได้ต้องเกิดขึ้นจากใจที่กําหนดตัวสัมผัสเหล่านั้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสดแสดงในสายของทรงทายศัตว์ในหมหาสติปัฏฐานที่ทรงใช้คําว่าตนาเมื่อจะเกิดก็เกิดที่สัมผัสนี่เองเมื่อจะตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ที่สัมผัสนี่เอง แต่ว่าที่แสดงไว้ในตอนนั้นคือเกิดไดตั้งอยู่ได้ทุกจุดซึ่งแสดงเห็นว่าการที่เกิดตัณหาขึ้นในการกระทบนั้นก็ใจจะต้องกำหนดตัวอารมณ์ที่มากระทบว่าเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจถ้ามองในแง่เป็นที่พอใจก็จะเกิดการมาตัณหาภาวะตัณหาถ้าไม่พอใจก็จะเกิดเป็นวิภาวตัณหาถเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือ รักกระชังนั่นเองดังนั้นเวทนาที่เกิดขึ้นนั้นตัวการใหญ่จึงอยู่ที่ใจไปกําหนดอารมณ์แต่เราจะป้องกันซ้บ้างในชั้นหนึ่งก็คือการไม่กําหนดอารมณ์ให้มากไปหรืออาจจะกําหนดแต่กําหนดได้เห็นว่าข้อศักแต่ว่าเวทนาต่นนั้นเองสุขอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดครั้งแรก เกิดขึ้นมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่มันก็ดับไปทุกทีเพอความทุกข์บางเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกแต่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆในที่สุดแกก็ดับไปพอทุกพอทุกกรรสุกเวทนาเกิดขึ้นก็กำหนดโดยในัยยะเดียวกันตอนั้นในชั้นข้องการดำรงชีวิตประจําวันนั้นจะทําทให้บุคคลมีสติสัมปชัญญะเสวยอารมณ์ เวลายามประสบกับความสุขก็ไม่เพลิดเพลิะเริงหลงจนเกินเท็จหรือเฉลิมฉลองดีอกดีใจกันจนเกินเหมาะเกินควรเพราะแท้ที่จริงไม่ใช่เกิดขึ้นแก่เราอย่างครั้งแรกแต่ก็เกิดขึ้นแก่คนต่างๆเป็นนันมากและเกิดขึ้นแก่เราก็หลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เห็นมันอยู่ได้สักชีหนึ่งที่มันเกิดแล้วในอดีตมันก็ดับไปแล้วในอดีต ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็กำลังจะดับในปัจจุบัน แ, แม้แต่เกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะต้องดับในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อใจยอมรับถึงเวทนาในลักษณะนี้ในการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอย่างน้อยที่มีมากจนเกินเทตจจนปิดบังสติปัญญาปิดบังเหตุผลเอาไว้ ไม่ยอมรับความจริงที่บางเกิดขึ้นเพะสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปก็สศาโศกเสียใจที่ก็สร้างปัญหาในการดำาริชีวิตมาตลอดแต่ถ้าหากว่าปรับใจยอมรับความจริงส่วนนี้ได้สักระดับหนึ่งมันก็แก้ไขได้อย่างน้อยก็นในชั้นก็การบันเทาอารมณ์ที่บางเกิดขึ้นเสียดแทงใจและจากการมองในจุดนี้เอง บางคนก็จะมองเห็นพวกเวทนาทั้งสามอย่างอย่างไดก็ตามตเกิดขึ้นก็กำหนดเป็นมาตรเอาไว้เพราะเวทนานี้ไม่ว่าดีไม่ดีหรือกลางๆ ก, ก็ตามเกิสุขหรือทุกข์หรือ ก, รกลางๆ ก, ก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วจริงแต่ว่าธรรมดาของแกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเกิดแก่ใครที่ไหนก็ได้แก่จะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ เพราะในการไขว่คว้าปรารถนาอย่างน้อยในระดับที่เกินเหตุก็จะลดลงไปด้วยช่วยให้ใจิตใจมีความสงบมีความเยือกเย็นมีความสุขมากยิ่งขึน้นได้สุขเวทนามากยิ่งขึ้นแต่ว่าถ้าได้ด้วยปัญญาในลักษณะนี้ก็จะไม่เพลิดเพลินเร่ลงหลงจนเกินไปก็นี่ลองสังเกตปริมาณของปัญญาที่ปรากฏภายในใจคน เต้นบางครั้งเราได้ยศในการยกย่องสรรเสริญคนที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องปินิพิจนาจะมีการเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่และในการฉลองนั่นเองมันทีมันก็เสื่อมลาภประยะัแต่ก็แสดงให้เห็นถึงการไม่รู้เท่าทัานของความจริงเพราะเครื่องหมายยศสัญลักษณ์ของยศในด้านต่างๆ เนว่าพัดสปนสรรัสักของพระสงฆ์นั้นในขณะที่องค์หนึ่งเอาพัดมาปัดเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่ดันแต่คนที่เธเคยใช้พัดนี้คนที่เคยยึดถือว่าพัดนั้นเป็นของท่านตายไปทั้งหลายองค์แล้วแต่เราก็มายึดถือว่าเป็นของเราประเดี๋ยวเราก็จะตายทิ้งไปและแม้แต่เรื่องอื่นๆยอดศักดิ์ตำแหน่งเราอื่นก็มีลักษณะเหมือนกัน ดานบทเรียนจึงเรียนจากอะไรก็ได้แต่เข้าถึงความจริงในกรณีนั้นเราจะมองลึกซึ้งลงไปจนถึงสิ่งทั้งหลายที่เรามีความรู้สึกว่าเรามีเราได้เราเป็นเราก็เกิดสุขแต่ถ้าถามใจตัวเองดูอย่างตึกๆึกใช้ปัญญาคิดตามไปจริงๆ เราก็จะได้คําตอบว่าแท้ที่จริงสิ่งที่เราคิดว่าเราได้สิ่งที่เราคิดว่าเรามีสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นนั้นมันเริ่มจากเราไม่ได้ไม่มีไม่เป็นมาก่อนจุดสุดท้ายมันจะเป็นยังไงคือจะไม่ได้ไม่มีไม่เป็นเหมือนเดิมเพราะสิ่งใดที่เคยได้เคยมีเคยเป็นจึงเป็นสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปโดยสภาพของแก่ เพราะแกเกิดขึ้นมาจากเหตุปจัจจัยดังกล่าวแล้วในที่สุดเราจะจบลงด้วยความไม่มีไม่ได้ไม่เป็นสิ่งอะไรที่เรายึดถือว่าเป็นของเราของเราด้วยประการต่างๆหรือแม้แต่ที่ท่านเขียนเป็นรูปภาพเอาไว้ที่เริ่มจากกระต่ายแล้วก็มากลายเป็นเป็นกวางกระต่ายเป็นกวางเป็นลิง เป็นเสือเป็นคนป่าเป็นประชาชนธรรมดาเป็นข้าราชการเป็นพระราชาที่ก็เรียงไปเป็นแถวแล้วก็พวกวางนั้นก็บอกว่าตายก็ตายว่าเองมันสัตว์เล็กน้อยไอ้ลิงก็บอกวางว่าเองมันด้อยกว่าข้าสิงโตก็บอกว่าเจ้ามันซามตำชะา คนป่าก็บอกว่าฆ่านี่สิคนชาวบ้านในเมืองก็บอกว่าเองถึงคนงมันก็คนป่าข้าราชการก็บอกว่าชาวนามันตำต้นแล้วก็ประราชาก็บอกว่าแกก็คนสามันแต่ว่าในที่สุดแกมันสามันชนแต่ว่าจบลงด้วยทุกคนก็คือตายก็ตายก็ตาย วางก็ตายลิงก็ตายสิงตัวก็ตายไอ้คนป่าเองก็ตายชาวประชาชนสามัญก็ตายข้าราชการก็ตายพระราชาก็ตายก็ตกลงว่าไอ้ความรู้สึกที่เราได้เรามีเราเป็นมันเป็นภาพลวงตาเฉยๆถ้าบุคคลเข้าใจถึงความจริงอย่างน้อยความยึดติดหรือความหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นก็จะคลายลง แต่จะเป็นนายบังคับใช้สิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งความสุขและความทุกข์ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตของตนเพิ่มพูนความสงบความเยือกเย็นให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจและในขณะเดียวกันการล ข, ขว่คว้าเวทนาในลักษณะที่ไม่เหมาะไม่ควร คือไม่ถูกทำนองครองธรรมก็จะผ่อนคลายประบางลงไปแม้ใจจะยังข่อยคว้าก็จะข่อยคว้าความสุขที่เกิดขึ้นโดยธรรมที่ได้มาโดยธรรมและจะใช้สอยไปโดยความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนได้มาเหล่านั้นการเรียนรู้ถึงโลกคือเวทนาจึงไม่ใช่ให้ผลเฉพาะระดับที่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น แท้จริงแล้วเป็นฐานในการดํารงชีวิตของบุคคลที่จะทำให้เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจความจริงของสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่เกิดแล้วเป็นไปแล้วแตกดับแล้วก็เกิดแล้วเป็นไปแล้วแล้วก็แตกดับแล้วสิ่งใดที่ยังไม่เกิดก็คือยังไม่เกิดปรับใจยอมรับถึงความจริงตามธรรมชาติทุกขั้นตอนของสิ่งเหล่านั้นเมื่อใดเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ก็หาประโยชน์ให้ได้ และเมื่อนั้นก็จะชื่อว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆอย่างแท้จริงต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบส่อต่อไป